วัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การศึกษาและการปฏิบัติธรรมะของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไว้โดยวิจิตพิสดานที่เราพูดกันว่ามีถึงแป0หมื่นสี่พันประธรรมะขันธ์ก็ตาม แต่นั้นเป็นเรื่องของการแสดงที่ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นอัธยาศัยของผู้ฟังในขณะนั้ น, น, นในขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาก็สรุปหลักการประพฤษษษษษษติปฏิบัติเอาไว้โดยย่อๆมีในยาติต่างๆเช่นสรุปลงที่อริยสัจสีประการบ้างสรุปลงที่ระยะมกยงแปดประการบ้างตีไตรสิกขาบ้าง ที่ความไม่ประมาทบ้างแม้องคธรรมที่นำมาสรุปจะใช้ชื่อแตกต่างกันแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างเดียวกันนั่น ค, คือการลดละการบันเทาการจางไปคลายไปสงบไปจนถึงกับหมดสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลาย ปัญญาจะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเล่วนั้นโดยลาดับแนะในขณะที่ปัญญาเพิ่มขึ้นก็จะทำหน้าที่ะจัดโมหะคือความหลงให้เสื่อมลงไปโดยลาดับเช่นเดียวกันจิตใจของบุคคลก็จะมีความสะอาดขึ้นมีความสงบมากยิ่งขึ้นมีความสว่างมากยิ่งขึ้นโดยมีจุดสูงสุดอยู่ที่ความสมบูรณ์แห่งความสงบความสะอาด ความสะอาดความสงบและความสว่างความสะอาดนั้นได้เน้นไปที่ข้อปฏิบัติทึ่งเราเรียกว่าใจสิกขาใจสิกขาก็คือการศึกษาหมายถึงการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสคือดูด้วยตาฝังด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกลิมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายแล้วก็ตรึกนึกด้วยใจหรือวิเคราะห์วิจัย เลาตั้งการนำมาพิจารณาสอบทานเทียบเคียงสืบสวนสอบสวนกันด้วยวิธีการต่างๆจนกลายเป็นความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อนั้นซึ่งเป็นชั้นของปริยัติศึกษาคือการศึกษาเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเหล่านั้นไปอย่างไรแต่ถ้าหากว่าอยู่ในระดับนี้ก็จะเป็นเหมือนกนยากับคน ที่เราเรียนรู้ถึงสรรพคุณของยาในานาชนิดเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเมื่อป่วยลงยาก็วางไว้ในที่เดิมคนก็ป่วยอยู่ในที่เดิมยาก็ไม่สาเร็จประโยชน์แก่คนคนก็ไม่รับประโยชน์จากยายากับคนจึงไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าบุคคลได้นํายาเหล่านั้นมารับประทานเหมาะสมแก่โรคของตนที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นยาก็จะทําหน้าที่ของตนคือะจัด โครคภัยไข้เจ็บที่บังเกิดขึ้นภายในชีวิตของบุคคลให้สงบระงับลงไปจนถึงก็หายได้ขาดในบางเรื่องธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเรามองให้เต็มที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงสภาพความจริงของโลกของชีวิตไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามโลกที่ไม่มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจ คนทั่วไปก็จะใช้อารมณ์ใช้กิเลส ข, ของตนเป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆข้อพิพาทต่างๆในลักษณะที่ใครมีดิแรงมีพวกมากมีกำลังมากก็สามารถที่จะเอาชนะได้อย่างที่สำนวนที่เราพูดกันว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรเป็นสภาพของสังคมสภาพของชีวิตที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กใครมือยาวสาวได้สาวอา ถ้าสังคมมีลักษณะเป็นเช่นนั้นก็จะมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นทุกยอมยากเพรบ้านเมืองจึงพยายามตราขึ้นมาเป็นกฎหมายเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะควบคุมความประพฤติของประชาชนในชาติบ้านเมืองถ้าใครความคืนไม่ปฏิบัติตามแล้วก็จะมีการตัดสินลงโทษตามสมควรแก่ความผิดเหล่านั้นแต่ในแง่ของภาคปฏิบัติแล้วกฎหมายไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ว่าจากการคุ้มครองได้หรือไม่ได้นั้นอยู่ที่จิตสํานึกของบุคคลเป็นประการสําคัญือการยอมรับนับถือถึงสิ่งเหล่านั้นกฎเกณฑ์กติกาเหล่านั้นและทําทตนนั้นอยู่ในระเบียบ ว, วินัยด้วยตัวของตัวเองโดยไม่จําเป็นจะต้องมีใครมาควบคุมตันั้นพระพุทธศาสนาจึงเริ่มที่จะขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้มีความสะอาดขึ้นด้วยระบบของศีล และสิ่แต่ละข้อนั้นท่านเรียกว่าสิกขาบทคำว่าสิกขาบทแปลว่า9าของการศึกษาคือแต่ละบันไดของการศึกษาที่จะนำพาชีวิตของบุคคลให้ก้าวสูงขึ้นไปโดยลำดับโดยการสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงสาระแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้นในระดับต่างๆแล้วก็งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทา ในสิ่งที่จะนำความเรือดร้อนมาสู่ตนเองและแก่บกคุคคลอื่นก็นี้บพิงดูตัวอย่างศีลห้าประการที่พระเจ้าทรงวางตามลาดับความสำคัญเอาไว้คนเราแต่ละคนนั้นชีวิตคือจุดสุดยอดของคนแต่ละคนเพราะถ้าหมดไปชีวิตไปแล้วแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลอย่างไรก็ตามก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลคนคนั้น เพราะในชั้นแรกก็สงสอนให้ปลูกฝังความเข้าใจถึงสภาพของชีวิตเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนั้นเป็นผู้รักชีวิตถนอมชีวิตของตนไม่ต้องการให้มีการเบียดเบียนประทุษร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากคนอื่นและเมื่อมองกลับมาที่เราก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน แนวของศีลจึงเป็นแนวที่ท่านใช้คําว่าอัตานานพวงมังกตวะคือทําตนเป็นอุปมาหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราใช้ปัญญาเพียงระดับนี้ก็จะเกิดความเข้าใจเราก็จะมีความสํารวจระวังปฏิบัติคตรเว้นไปแต่เมื่อปริมาณของปัญญามีสูงยิ่งขึ้นคล้ายๆกับแสงสว่างที่มากยิ่งขึ้นแสงสว่างที่มีลักษณะขมุขมัวมันก็เห็นสิ่งของต่างๆได้ในระดับหนึ่ง แสงสว่างที่มากขึ้นของเรานั้นก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ากล้องกลุ่นละทัมาส่องดูก็จะขยายสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพรการศึกษาธรรมะ ก, ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นปัญญานั้นเปรียบเหมือนแสงสว่างที่จะส่องหรือส่องได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของแสงสว่างหรือปริมาณของปัญญาที่จะส่องลงไปในการปฏิบัติจึงมีวิธีอยู่2วิธี วิธีหนึ่งนั้นไปตั้งข้าวที่สมาธิคือตั้งข้าที่องค์ธรรมชั้นสูงแล้วก็ดึงขึ้นมาชำระล้างสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ในระดับล่างอีกระดับหนึ่งก็คือไตขึ้นไปข้างบนกำนองใกลก้ใกล้ตีฝ้าเรือนคืออจาจจะตีลงมาจากข้างบนก็ได้ตีลงมาจากข้างล่างก็ได้แต่ในที่สุดก็จะมีจุดบรรจบกันก็กลายเป็นฝ้าเรือนกลายเป็นเพดานลกลายเป็นฝ้าอะไรต่างๆ การปฏิบัติในชั้นสี่นั่นเองต้องการจะปิดกั้นกระแสของกิเลสที่ท่านรวมกลุ่มไว้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มประเภทที่ขวอยคว้าปรารถนาเข้ามาหาตัวเองอาศัยจิตที่กําหนดสิ่งเหล่านั้นว่าหน้าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจใจก็ขวอยคว้าเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในสิ่งนั้นๆ สิ่งใดที่ตนยังไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็จะมีการดิ้นรนคุนขวายกันด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นพอได้แล้วมีแล้วก็จะมีความกำหนัดเพลิดเพลินธนุถนอมวงแขวนรักษาป้องกันสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ไม่เกิดเปน็นอันตรายพอใครมาเบียดเบียนสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดต่อต้านเกิดต่อสู้เกิดปราบประหารกันหากว่าสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของขอก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ จึงจะเห็นได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่กิเลสซึ่งเป็นสมุทัยยศศัตว์แล้วจะออกมาเป็นรูปของทุกข์ศัตร์ตามปดของอริยสัจที่ส่งแสดงเอาไว้นั่นเองกิเลสกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มปฏิเสธมีความรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีไม่ต้องการไม่ปรารถนาไม่นิยมชมชอบในสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการที่จิตของบุคคลไปกําหนดว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้อง จึงไม่ต้องการได้เห็นไม่ต้องการได้ยินไม่ต้องการสูดดมไม่ต้องการลิ้มไม่ต้องการจับต้องไม่ต้องการคิดถึงแต่เมื่อจาเป็นจะต้องเกี่ยวข้องสัมผัน์กับสิ่งเหล่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะรู้สึกอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่างๆถ้าหากว่าต้องอยู่กันอยู่ร่ำไปก็จะมีการเก็บกดจนเกิดเป็นความแห้งใจความกรอบเกรียบภายในใจความอึดอัดภายในใจจนอาจจะเป็นอาการทางจิตประสาทขึ้นมาก็ได้ จิตนั้นต้องการจะให้สิ่งเ่านั้นเปลี่ยนแปลงไปแตกทำลายไปพันการแตกทำลายไปของสัตว์ของบุคคลเหล่านั้นที่ตนไม่ชอบก็จะเกิดความชื่นชมยินดีขึ้นภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นกิเลสประเภทนี้ปาลีธันิคัปโตสัตถ์ซึงแสดงอาการหยาบบ้างกลางบ้า ง, างละเอียดบ้างอีจิตพิสดาออกไปกิเลสกิเลสประเภทหนึ่งเป็นอาการของโมฆะคือความหลง ความหลงผิดความไม่ใจไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ปรมบับาบาปคุณคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วกุศลอกุศลเป็นต้นจนเกิดความเครือบแคลงสงสัยในสิ่งนั้นมีความคิดฟุ้งซ่านเมื่อประรกอกสิ่เหล่านั้นขอให้เกิดอาการจงังกงานขึ้นภายในจิตใจกิเลสประเภทโมห oh ะจึงเป็นกิเลสกิเลสประเภทใหญ่ที่สุดคือเป็นรากง้าวของกิเลสได้แก่อาการของวิจารัานเดง การปฏิบัติในชั้นศีลจึงมุ่งที่จะปิดกั้นความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นไม่จะถึงกับหมดกิเลสเพียงแต่ว่าควบคุมกิเลสเอาไว้ไม่ให้บังคับกายวาจาไปกระทำในลักษณะที่เป็นการล่วงเกินต่อสิทธิทางร่างกายทางทรัพย์สิน ท, ท, ทางคู่ครองของกันและกันจุดเน้นจึงมีอยู่3ามจุดคือชีวิตทรัพย์สินและก็คู่ครอง ถึงสังเกตว่าแม้การพูดเท็จก็ไปกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินคู่ครองแม้การดื่มสุราก็ไปกระทบต่อทรัพย์สินชีวิตต่ อ, อคู่ครองคือไปกระทบสามอย่างข้างบนเสมอไปบทบัญญัติในศีลจึงเน้นไว้ที่ศีลห้าเป็นหลักสําคัญตั้งหมายเพราะว่าครอบคลุมตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนของบุคคลทั้งหลายไว้หมดสิ้นแล้วแต่ประชาคมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นผู้มีศีลในระดับนี้ความสงบสุขก็จะบังเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าการรู้อำนาจแก่กิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นบางครั้งอาจจะไม่ทําทางกายหรืออาจจะพูดทางวาจาแต่ก็อาจจะแสดงออกมาในลักษณะต่างๆจะในกรณีของการฆ่าสัตว์ตนเองอาจจะไม่ฆ่าแต่อาจจะใช้บุคคลอื่นฆ่ามีผลในการทําลายชีวิตเช่นเดียวกันเพราะเมื่อปัญญาเรามีมากขึ้นจะพิจารณาเชื่อมโยงไปถึงเจตนาลมของศีล วสีนั้นทรงมาจัดไว้เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีการทําลายล้างชีวิตกันโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งเพราะการทําลายชีวิตจะเป็นยังไงก็ตามถ้าจบลงที่คนหนึ่งตายแล้วก็ถือว่าเป็นการทําลายชีวิตด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นจะงดเว้นแม้การพูดทางวาจาพอปัญญามีความสว่างมากจริงขึ้นมีเหตุมีผลสมบูรณ์มากจริงขึ้นท่านก็ปรับจิตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง งดเว้นจากการยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าแน่นอนเราไม่ได้สั่งให้ฆ่าและเราก็ไม่ได้ฆ่าด้วยตัวเองแต่ว่าการไปรยกย่องสรรเสริญเขาให้ที่ได้กระทําเช่นนั้นเอาไว้ทําให้เกิดกําเริบเสพสารมีความพอใจว่าการกระทำของตนเป็นการกระทําที่ถูกต้องในที่สุดก็จะออกมาในรูปยกย่องสรรเสริญผู้ค่าผู้ค่าก็ได้ใจลำพองใจกําเริบเสพสารขึ้นมาก็มีการประทุษกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเรื่อยๆ แล้วเมื่อเรานึกเชื่อมโยงกับเราว่าเราก็มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในบุคคลผู้นั้นไปกระทำอย่างนั้นความเราร้อนก็เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจอีกดังนั้นในชั้นนี้ท่านจึงสอนในงดเว้นเช่นเดียวกันแต่หมายความว่าการงดเว้นเป็นเรื่องของมโนธรรมสํานึกเป็นจิตสํานึกที่มีอยู่ภายใน ใ, นใจของบุคคลผู้นัน้นประมองเห็นโทษแม่ของความคิดเช่นนั้นหรือว่าการพูดดกย่องสันสซินในลักษณะนั้น ก้าวจิตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็เป็นศิกขาคือเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งเพื่อจะให้อยู่อย่างปลอดภัยปลอดอันตรายจริงๆที่เรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าปลอดเพลิปลอดภั ย, ป ล, ภยปลอดอันตรายนั่นก็คือการทําใจให้อยู่ที่เมตตาจิตการที่มองด้วยเมตตานั้นพึงสังเกตว่าเป็นการยกจิตออกมาจากสภาพเดิมที่อยู่ในขั้นแรกทั้งกล่าวไว้ในตอนตอน้น การที่บุคคลเข็นฆ่าประหัรประหารถ้ำหันกันด้วยวิธีการต่างๆตามกระแสะของกิเลสนั้นมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงแล้วก็มีการแบ่งแยกที่ชัดแจ้งออกไปต้องการจะทำลายอีกฝ่ายหนึ่งก็เพื่ออะไรเพื่อให้ตนและพวกของตนอยู่ได้ต้องการจะทำลายคนอื่นกับพวกของคนอื่นเพราะถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการดำรงอยู่อย่างปกติสุขของตน แม้เกิดเป็นศึกสงครามทำลายล้างกันด้วยประการต่างๆก็เกิดขึ้นจากเจตนาตรมในลักษณะนี้เพิ่มความคิดในลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นความคิดที่ผิดแล้วก็ทำลายฐานของศีลธรรมฐานของการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขซึ่งมีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันของสิ่งมีชีวิตต่งางๆพรานการปรับจิตในแนวของพระพุทธศาสนาที่สอนขึ้นไปมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่า มันมีความเป็นเรากับพวกเราสูงขึ้นโดยการคิดจะสอนในรูปของการขยายออกไปจากตนเองเป็นฐานแล้วขยายไปสู่ครอบครัวที่เกี่ยวกับวงศาระคณะญาติท่างรแล้วในที่สุดขยายไปถึงเพื่อนที่ร่วมสถานที่ร่วมอุปชาญะร่วมอาจารย์ร่วมชาติร่วมศาสนาจนถึงกร่วมโลกแต่ควมการในความคิดทางศาสนาจริงๆนั้นที่เราใช้คำว่าสเปสตาคือสั้งหลายทั้งปวง เป็นการมองสัพพิชิตทั้งหลายในฐานะเป็นเพื่อนเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีการกระทําในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกันมีการกระทําที่เป็นอุปการคุณต่อกันสแสดงออกซึ่งความรักใคร่ความปรารถนาดีมุ่งดีต่อกันแต่พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับบุคคลเหล่านั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นหรือสร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเหล่านั้น พ้นความคิดในระดับนี้จึงกลายเป็นมองสปปรรพชีวิตในแง่ที่เป็นเพื่อนร่วมถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างที่พูดการคล่องค่องการพูดกันคล่องค่องนั้นเพราะเราท่องได้เราก็พูดได้แต่ปัญหาจุดเน้นจริงๆนั้นท่านเน้นที่ความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจว่าปากกับใจนั้นจะต้องประสานสอดคล้องกันปากพูดอย่างไรใจก็คิดอย่างนั้นใจคิดอย่างไรปากก็พูดอย่างนั้นแล้วกายก็ทําอย่างนั้น จะต้องมีลักษณะประสานสอดคล้องกันอย่างนั้นไม่ใช่ใจอย่างหนึ่งปากอย่างหนึ่งคิดอ ย, อ, อย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาการของปากกับใจที่ไม่ส่งกันเป็นเล่เป็นมายาเป็นเรื่องการกระทําไปด้วยอํานาจของกิเลสทั้นความรู้สึกในแนวของเมตตาจึงถือว่าเป็นฐานในระดับต่างๆที่ทรงสแสดงเอาไว้เป็นเมตตาปรมาภิคันเป็นเมตตาระดับที่เรียกว่าอภปัญญา เป็นเมตตาระดับฌานที่เรียกว่าเมตตาเจโตมุติทีนี้ถ้าหากว่าจิตเดินมาถึงขั้นนี้ได้แล้วนั้นจะมองคนอื่นสัตว์อื่นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะแสดงออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาและแม้แต่ความคิดต่อบุคคลผู้นั้นเพราะการแสดงออกทางกายทางวาจานั้นเกิดขึ้นจากความคิดความคิดที่เป็นฐานในจิตประกอบด้วยเมตตานั้นหมายความว่าโมฆะก็ต้องถูกขจัดออกไป โลภะเองที่ต้องการได้ผลประโยชน์จากคนซึ่งเราเม่ตาก็ถูกกจัดตรงไปโทสะความปุถุสายซึ่งเป็นข้าศึกโดยตรงต่อเมตตาก็ถูกกจัดไปลักษณะของเมตตาจึงเหมือนกับแสงไฟที่ส่องสว่างได้รอบตัวส่องได้รอบทิศแล้วก็ลงข้างล่างด้วยในขณะเดียวกันก็สะท้อนขึ้นไปสู่ข้างบนด้วยเป็นรัศมีที่รอบตัวดังนั้นจึงทําให้สามารถกระจัดกิเลสได้รอบตัว แม่ตาในระดับของพรหมพิหารนั้นได้ทรงสองในให้บุคคลสร้างความรู้สึกร่วมในลักษณะคนเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับตนคือในฐานะเป็นเพื่อนเป็นตนแต่ว่าฐานความคิดนั้นท่านสอในให้คิดมาจากความคิดของแม่กับลกูกเพราเหมือนกับเด็กมาถือปฏิสนธิในครันนั้นมารดาบิดามารุขาวว่าวก็จะมีความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาะดีรอวันรอคืนการคลอดออกมาของลูกของตน จ, จิตใจนั้นจะมองไปในแง่ดีปรารถนาดีมีการทนุธถนอมดูแลใจใสร ะ, ระวัดระวังรักษาสุขภาพเป็นตน้นนั้นเป็นใจที่มีลักษณะอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อแสดงออกซึ่งความเมตตาและเอ็นดูออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วกระจายความรู้สึกเหล่านั้นออกไปโดยในญาติที่กล่าวแล้วจากคนที่เชื่อมโยงกับเราอย่างใกล้ๆเรียกว่านับญาติกันได้คือสืบเชื้อสายกันได้ อาศัยสายใยหลายสายคือสายหนึ่งก็สายกูลสัมพันธ์คือความผูกพันกับญาติในสายหนึ่งก็คือความรู้สึกร่วมที่เป็นสัจธรรมแท้จริงแล้วเราก็คือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันคือจะเป็นญาติกันโดยสายเลือดหรือไม่สายเลือดที่จริงก็เป็นญาติที่ร่วมทุกเกิเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรืออย่างน้อยก็ศาสนาเดียวกันหรือชาติเดียวกันเป็นต้นแล้วแต่จะคิดได้ขนาดไหนแล้วก็ขยายเมตตาเหล่านั้นออกไป โดยมีฐานใจที่ความรู้สึกในใจตนเองว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขไม่ต้องการความทุกข์เช่นนั้นจากพื้นฐานความรู้สึกเหล่านี้เราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นสัตว์อื่นโดยการพูดดยการกระทําอันที่จริงเรื่องความคิดนั้นก็สัมผัสกันไม่ได้มันสัมผัสกันที่การพูดและการกระทําเท่านั้นเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปด้วย ดีแล้วก็ตามลาดับขั้นตอนพระเจ้าก็ทรงสอนเมตตากายกรรมคือจะกระทําอะไรก็ตามกับใครก็ตามให้กระทําด้วยเมตตามไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยก็ตามเป็นการมองกันอย่างสนิทสนมที่เรียกว่าเข้ากันได้คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เหมือนน้ากับน้ํานมหรือน้ากับน้ํามันหรือหรือว่าน้ํากับน้ําในประการต่อไปก็ขยายไปในส่วนต่างๆ ถ้าคุดเปลยจิตใจไม่มั่นคงเช่นสมมติว่าทางทิศตะวันออกบ้านศัตรูเราอยู่สงสามหลังเราแผ่เมตตาไปทางทิศตะวันออกยังไม่ได้ใจมันไม่ขยยองเราก็เปลี่ยนไปทางทิศอื่นซะก่อนจนในที่สุดแผ่ไปรอบจิตจะเรียกว่าเป็นเมตตารอบด้านไปรูปลําแสงไฟที่มีรัศมีรอบตัวดังที่กล่าบไปแล้วเมตตาที่บังเกิดขึ้นมานั้นก็จะทำหน้าที่กระจัด กิเลสที่ใกล้ชิดกับตนนั้นสองตัวตัวหนึ่งคืออาการที่เกิดความสับสนภายในจิตใจของบุคคลที่มักมองให้เกิดความสับสนถือเมตานั้นจะปรารบคนทั่วไปเป็นอารมณ์ไม่ได้สนใจรูปร่างหน้าตาฐานะทางทรัพย์สินทางสังคมทางคู่ครองทางเศรษฐกิจอะไรของเขาแต่ประการใดคือเป็นสิ่งมีชีวิตก็แล้วกันเราก็ตั้งใจที่ประกอบด้วยเมตตาต่อบุคคลเหนั้นได้ แต่ความรักนั้นจะไม่ตั้งในลักษณะนั้นเป็นการกําหนดที่รูปสวยเป็นการกําหนดในสิ่งที่ตัวพอใจซึ่งว่าที่จริงที่เราจะได้จากบุคคลผู้นั้นแต่เมตตานั้นเป็นการกําหนดในแนวที่จะให้ความรักนั้นกําหนดในแนวที่จะได้เพราะถ้าหากว่าเป็นที่ไม่พอใจขอเราเราก็ไม่ต้องการไม่ยินดีไม่ปราถนาะจึงใช้ความประณีตความสวยงามของรู ป, ปรธรรมเป็นตัวกําหนด แต่ที่จะมองในแง่ของชีวิตเป็นตัวกาหนดเมตตาจึงมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ความรักจึงมีคนที่เราชอบใจเป็นอารมณ์ซึ่งก็พร้อมที่จะตีกลับออกมาเป็นโทสะถ้าหากว่าเขาไม่ชอบใจแต่เขาชอบใจก็พร้อมที่จะกลายเป็นความหึงความหวงความทะนุถนอมและถ้าเขารพรากอยากไปก็พร้อมที่จะไปเกิดพร้อมที่จะกลายเป็นความสูข พราเมตตาที่บังเกิดขึ้นนั้นจะต้องแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกเมตตากับความรู้สึกที่เป็นความรักเพราะเมตตานั้นถ้าไม่มีการตอบสนองจะเป็นโทสะถ้ามีการตอบสนองจะมีความรักใคร่รุ่มหลงมากยิ่งขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จะกลายเป็นความโศกจิตมันก็วนอยู่ระหว่างกิเลสกับทุกข์กิเลสกับทุกข์อยู่อย่างเงี้ยกลับไปกลับมาระหว่างกิเลสกับทุกข์ู จนถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่เป็นพุทธปาสิทธิจำทรงกันแพร่หลายที่ว่าความโศกเกิดแต่ความรักภัยเกิดขึ้นแต่ความรักอันตรายเกิดขึ้นแต่ความรักแตากว่าบุคคลไม่มีความรักแล้วความโศกภัยอันตรายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้แต่เมตตานั้นมีลักษณะมองสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์รักที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อ ไม่มีการตอบสนองเราเมตตาหวังดีกับเขาแสดงออกมาได้ทั้งตางกายทั้งต่างวา จ, จเราจะไม่เกิดความโทมนัสคือเสียใจและไม่เกิดความขัดเคืองตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความดีที่เราควรทํานั้นเราได้ทดําแล้วเขาจะรับหรือไม่รับนั้นเป็นเรื่องของเขาลักษณะาการแสดงออกของธรรมะคือเมตตากรุณาเป็นต้นนั้น จะมีลักษณะเหมือนฝนตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างที่เราสวดโดืเราท่องจำกันในสมัยที่เป็นเด็กที่ว่าอันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับขอหาไม้หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากฟากฟ้ า, า, าสุราไหลสุดแดนดินเป็นความดีสองชั้นพลันปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทบินผู้ให้นั้นได้รับแน่แล้วแต่ผู้รับจะรับหรือไม่มันก็มองจากฝนตกว่าฝนตกนั้นผู้รับบ ประชาชนทั่วไปจะรับน้ําฝนหรือไม่มันก็อยู่ที่ผ่าชนะของเขาว่ามีจะรับน้ําฝนหรือไม่ถ้ามีนั้นทะลุหรือไม่ถ้าไม่ทะลุคว่ำอยู่หรือไม่ถ้าไม่คว่ำไม่ทะลุปิดฝาอยู่หรือไม่ทั้งสามประการนี้จะเห็นว่าแม้ฝนจะตกลงมาขนาดไหนก็ตามไม่อาจาที่จะรับไม่ไม่อาจาที่จะรับและเก็บน้ําฝนไว้ได้มันมีผ่าชนะชนิดเดียวเท่านั้นที่รับและเก็บน้ ór, ําฝนไว้ได้คือผ่าชนะที่ ไม่ทะลุแล้วก็เปิดฝารับน้ำฝนเอาไว้เมื่อรับไปแล้วก็เก็บไปได้การปฏิบัติธรรมะต่อกันหรือการสั่งสอนธรรมะก็มีลักษณะอย่างนั้นความดีที่เราควรทำเราก็ได้ทำแล้วส่วนคนอื่นก็จะทำหรือไม่ทำนั้นเป็นเรื่องของเขาใจจะไม่เกิดความโกรธแต่จะกลายเป็นอุเบกขาโดยพิจารณาถึงกฎของของกรรมว่า คนเรานั้นมีกรรมเป็นของนตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกรรมเหนื่มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั่นไปเราได้ทําดีก็รับผลดีไปเขาไม่ทําความดีเขาก็ไม่รับผลแห่งความดีไปนะัเป็นเรื่องที่จะโทษใครก็ไม่ได้คือหน้าที่ของเราเราได้ทําแล้วคล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั่นเอง กิจใ ด, ดที่ศาสดาผู้เอนดูจะพึงกระทําต่อพุทธสาสนิกชนทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำแล้วถูกต้องสมบูรณ์ระยะเวลานานถึง45ปีแต่ในสมัยนั้นเองและแม้ในสมัยต่ อ, ตอมาพุทธสาสนิกจํานวนน้อยเท่านั้นเองที่ได้สัมผัสผลแห่งธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแล้ก็ทรงแสดงไปไม่ใช่เป็นความผิดของพระพุทธเจ้า แต่ก็เป็นความผิดของบุคคลเหล่า น, นั้นเองที่ไม่มีภาชนะรองรับธรรมรองรองรับพระสัทธรรมเอาไปบางครั้งทรงเชีย่ยวเห็นว่าพระองค์นั้นเหมือนกับคนที่บอกแผนที่เดินทางให้เป็นคนจะเดินจากกรุงราชคฤึ่ไปกรุงสาวัตถีจะบอกที่สังเกตที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาไว้ชัดเจนหมดเลยถ้าเดินไปตามนั้นจริงๆก็จะถึงเมืองสาวัตถีได้โดยปลอดภัยโดยความสวัสดี แต่โมงบอกแล้วเขาไม่เดินหรือเดินไปแต่ว่าประยัดย้ายปรีเวียนไปในทางอื่นเสียจะไปโทษคนบอกไม่ได้เพราะคนบอกนั้นบอกทางหนึ่งแต่เขาเดินไปอีกทางหนึ่งก็คล้ายๆกับมงคลในชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้โดยลักษณะเป็นทางเดินที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนก็นเริ่มจากการแม้กบคนพาในข้บปณิชต์ซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีอยู่สองทาง แต่ถ้าคนไปเริ่มพบคุณผ่านซึ่งมาขัดแย้งกับตัวคําสอนแล้วก็ไม่คบบัณฑิตซึ่งขัดแย้งกับตัวคําสอนความไม่บาดเดือดร้อนต่างๆก็าอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นแต่เกิดขึ้นเพราะกรรมของเขาหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่กอบด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์นั้นได้ทรงแสดงสัจธรรมเอาไว้แล้วถ้าปฏิบัติตามผลก็จะเกิดขึ้นตามที่ทรงแสดงเอาไว้เป็นมงคลสำหรับบุคคลผู้นั้นในระดับต่า ง, ตางๆตามที่เขาจะสัมผัสได้เพราะธรรมะคือเมตตาก็จะมีลักษณะอย่างนั้น เมื่อได้แสดงออกไปแล้วหากไม่มีการสนองตอบด้วยประการใดใจก็จะสงบอยู่ที่อุเบกขากิจใ ด, ดที่เราควรทำเราได้ทำแล้วแต่วาสนาทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมของเขาเขาทำกรรมอันใดไว้ก็จะรับผลของกรรมนั้นเราจะไม่เดือดร้อนซึ่งผิดกับเรื่องของความรักคือเราจะเห็นว่าจะเดือดร้อนทุกจุดของการเข้าไปเกี่ยวข้อง เขารักเราก็เดือดร้อนในการทนุถนอมวงแหวนรักษาเขาไม่รักเราจะเดือดร้อนเพราะความโกรธเขาพรพาดพลายากไปจะเดือดร้อนเพราะความโศก ค, คือมันจะมีทางเดือดร้อนเรื่อยไปว่างๆอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องทะเลาะ ก, กันหรือก็ยื้อแย่งกันเป็ น, นก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะ ก, กันอีกเมตตาที่เป็นระดับหนึ่งท่านเรียกว่าเป็นอัปปมัญญาคือตั้งใจแผ่ไปโดยไม่ใส่ใจถึงใครแล้วขอให้คนเหล่านั้นเป็นเรื่องของความปรารถนาดีหวังดีปรารถนาดีต่อบุคคลเหล่านั้น แตราหนาให้คนเหล่านั้นอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษรายกันเป็นเรื่องของการตั้งจิตเป็นระดับธรรมะที่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานมันจะมีอยู่สองตอนตอนหนึ่งเรียกว่าพรหมวิหารตอนหนึ่งเรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีประมาณคือไม่มีขอบข่ายไม่ได้เจาะจงทิศทางอะไรทั้งทั้งสิ้นแต่ก็มุ่งไปที่สเปสตากษอสตัตว์ต่างหลายทั้งปวงหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตหรือมีปราณตั้งปวงตาม ยาของศีลข้อปาณาติบาตันเดน็ข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องสรรเสริญอานิสงค์ของเมตตาไว้เป็นนั้นมากท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าผลหรืออานิสงค์หรือความดีงามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นที่เราเรียกเอียงหนึ่งว่าบุญบุญก็คือกุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นแล้วทําหน้าที่ขจัดโลภโทสะโมหะ ให้เบาบางลงไปโดยลําดับส่วนหมดสิ้นไปนั้นจะไม่เรียกว่าบุญแล้วเ็าเรียกว่ากุศลเพราะระดับที่เรียกว่าบุญจึงเป็นการเจือจางเบาบางของกิเลสอาสวะทั้งหลายลงไปแต่ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสต่อ